สพยสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามเขตรุงโกสัมพีครั้งนั้นพวกภิกษุในครุงโกสัมพีต่างบาดม้างกันทะเลาะวิวาทกันใช้คอคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทําความเข้าใจกัน ไม่ปราถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทําความปรองดองกันไม่ปราถนาความปรองดองกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวรโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระาศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายพิสุเหล่านั้นรับคำพิสษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพิกษุเหล่านั้นว่าพิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ไม่ทาความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือพิสุเหล่านั้นทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้น เธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนโรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกัน ใช้ห่อคือปากทิมแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายก็ไม่ตั้งมั่นเมตตากายกรรมไม่ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและไม่ตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้เธอทั้งหลายรู้อะไรเห็นอะไรจึงต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้ห่อคือปากทิมแทงกันอยู่ ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันอยู่โมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นนั่นแลจกมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน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 นำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานียธรรมหกประการนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ชันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นฆาศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรม6ประการนี้ไว้ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวก7ประการทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกรธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ แก่ผู้ทําตามเสมอกันเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุท ธ, ธานกิเลสกิเลสเป็นเครื่องครอบงำใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุท ธ, ธานกกิเลสนั้นเรายังละไม่ได้ในภายในมีอยู่หรือ ถ้าภิกษุมีจิตถูกกามราคะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกพยาบาทครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกทีณามิทะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกอุทจักขุกขุจจครอบงำก็ชื่อว่า มีจิตถูกปริย <Now, S 1> ุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานักกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกกิเลสครอบงำแล้วภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุบาทหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอคือปากทิมแทงกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูก ป, ปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตถูก ป, ปริยุทธานกิเลสใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายในมิได้มีเลยเราตั้งจิตไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย นี้คือยานที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งภิกษุนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตน ก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้คือยานที่สองที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีทิฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฐิเช่นนั้นมีอยู่หรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีทิฐิเช่นใด สมณะหรือพราม์อ่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้คือยานที่สามที่เป็นอริยะเป็นโล ก, กุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไร ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัตเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตนั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเด็กอ่อนที่นอนงาย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 ครั้นแสดงเปิดเผยถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือยานที่สี่ที่เป็นอริยเป็นโล ก, กุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิษุทังหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออเรียสาวกมีความขนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขา และอธิปัญญาศิษยาของอริยสาวกนั้นมีอยู่โคแม่ลูกอ่อนเล่มหญ้าพลางชำเลืองดูลูกไปพลางแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความนขนไควในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศิลปศิษยา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 บุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพร ะ, ะเช่นใดถึงเราก็มีพร ะ, ะเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐินั้นเป็นผู้มีพร ะ, ะอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพร ะ, ะอย่างนี้คือเมื่อบัณดิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอริยสาวกนั้นสนใจใส่ใจกาหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสวดฟังธรรม อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใดถึงเราก็มีพระเช่นนั้นนี้คือยานที่หกที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแกผปุทุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใดถึงเราก็มีพระเช่นนั้น บุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระอย่างนี้คือเมื่อบัณดิตแสดงธรรมวินัยที่สถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นได้ความรู้แจ้งอัดได้ความรู้แจ้งธรรมและได้ความปราโมทในธรรมอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใด ถึงเราก็มีพระเช่นนั้นนี้คือยานที่เจที่เป็นอริยเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรมเจ็ประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งโสดาปฏิพลอย่างนี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม7็ประการนี้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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุ ก, กัตถาในสมัยนั้นพระกะพรมมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าพรห ม, มสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรห ม, มสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ ก็แลเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรห ม, มสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพระกะพรหมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุ ก, กัตถาไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกะพรหมได้เห็นเราผู้มาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับเราว่า ท่านผู้นิรุกุกเชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านผู้นิรุกข์พรห ม, มสถานนี้ที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรห ม, มสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรห ม, มสถานนี้ไม่มี ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกะพร้อมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกะพร้มว่าพระกะพร้อมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอพระกะพร้อมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกะพร้มกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรง กล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาก็แลสัต์เกิดแก่ตายจุติและอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดพระกะพรมกล่าวพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มี มานเข้าสิงกายพรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมานใจบาปเข้าสิงกายพรมปริสัทชะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าภิกษุภิกษุอย่ารุกรานพระกะพรมนี้เลยอย่ารุกรานพระกะพรมนี้เลยเพราะว่าพรมผู้นี้เป็นมหาพรมเป็นใหญ่คณะพรมฝ่าฝืนไม่ได้โดยที่แท้เป็นผู้รู้ทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจ เป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกนิรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิดสมณพราหมณ์ผู้ก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียสัตว์ เป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียนพรหมเกลียดพรหมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลวส่วนสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้สรนเสริญดินชมเชยดิน pues เป็นผู้สรนเสริญน้ําชมเชยน้ําเป็นผู้สรนเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรนเสริญลมชมเชยลม เป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สรรเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สรรเสริญพรหมชมเชยพรหมหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรุกุกเชิญเถิดท่านจงทาตามคาที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้น ท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรมเลยถ้าท่านจักฝ่าฝืนคำของพรมโทษจกมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึกชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นท่านผู้นิระทุกเชิญเถิดท่านจงทําตามคําที่พรมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคาของพรมเลยภิกษุ ท่านเห็นพรมบริษัทประชุมกันแล้วมิใช่หรือมานใจบาปเปรียบเรากับพรมบริษัทนี้ดังนี้แหลภิกษุทั้งหลายเมื่อมานกล่าวอย่างนี้แล้วเราเรียกกล่าวกับมานผู้ใจบาปนั้นว่ามานผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมานพรมก็ดีพรมบริษัทก็ดีพรมบรรษัทชะก็ดี ทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องตกอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลย พรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรหมได้กล่าวว่าท่านผู้นิรุขุเรากล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา ก็แลสัตว์ย่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตในพรหมสถานใดเรากล่าวถึงพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีสมณะพราหมณ์ผก่อนท่านได้มีแล้วในโลก อายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตะบะของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่า ท่านจากไม่เห็นการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจากเป็นผู้มีความลำบากและความขับแค้นใจก็ตามภิกษุถ้าท่านจักกลืนกินแผ่นดินท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้ถ้าท่านกลืนกินน้ำถ้าท่านกลืนกินไฟถ้าท่านกลืนกินลมถ้าท่านกลืนกินเหล่าสัตว์ ถ้าท่านกลืนกินเทวดาถ้าท่านกลืนกินประชาบดีถ้าท่านกลืนกินพรหมท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทําได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้เรากล่าวว่าพรหมแม้เราก็รู้อย่างนี้ว่าถ้าเราจะกลืนกินแผ่นดินเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่าน ท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้และถ้าเราจะกลืนกินน้ำถ้าเราจะกลืนกินไฟถ้าเราจะกลืนกินลมถ้าเราจะกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าเราจะกลืนกินเทวดาถ้าเราจะกลืนกินประชาบดีถ้าเราจะกลืนกินพรมเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ ใช่แต่เท่านั้นเรารู้กติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้พกะพรมมีศักดิ์มากอย่างนี้พระกะพรมถามเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านรู้กติและรู้ความรุ่งเรืองของเราว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้ พระกะพรมมีศักด์มากอย่างนี้ได้อย่างไรเรากล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จกักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตรู้จกักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จักจักรวาล น, นี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลาย พรมเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านอย่างนี้ว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรมมีศักดิ์มากอย่างนี้พรมหมู่พรมอื่นมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรมนั้นหมู่พรมชื่ออาภัสรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะอยู่อาศัยนานนักเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นหมูพรมนั้นแต่เรารู้เห็นหมูพรมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านหมูพรมชื่อสุภกินหามีอยู่หมูพรมชื่อเวหพลามีอยู่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 แล้วไม่เป็นดินไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วจากดินไม่ได้มีแล้วว่าดินเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินเราเทียบไม่ได้กับท่านด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ํากว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักน้ําเรารู้จักไฟเรารู้จักลมเรารู้จักเหล่าสัตว์ เรารู้จักเทวดาเรารู้จักประชาบดีเรารู้จักพรมเรารู้จักอาพสระพรมเรารู้จักสุภคินหะพรมเรารู้จักเวหพละพรมเรารู้จักอภิภูพรมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพานที่สัตว์สวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีจากสิ่งทั้งปวง ไม่ได้มีว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งทั้งปวงพรมเราเทียบกับท่านไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพระกะพรมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิระทุกถ้าเพราะท่านรู้นิพพานที่สสวยไม่ได้ด้วยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวง ถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างอย่าได้เปล่าเสียเลยนิพพานที่ผู้บรรลุจะพึงรู้แจ้งได้เป็นอนิทัศนะเป็นอนันตะไม่สิ้นสุดมีรัศมีขวาสิ่งทั้งปวงสั์เสวอยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้าเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดา โดยความที่ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่พรมเป็นพรมโดยความที่อาภัสระพรมเป็นอาภัสระพรมโดยความที่สุภกินหพรมเป็นสุภกินหพรมโดยความที่เวหาภละพรมเป็นเวหาพละพรมโดยความที่อภิภูพรมเป็นอภิภูพรมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงพระกะพรมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิระทุก ท่านจงดูบัตรนี้เราจะอันตรทานไปจากท่านเรากล่าวว่าพรมหากท่านสามารถบัตรนี้ก็จงอันตรทานไปจากเราเถิดครั้งนั้นพะกะพรมกล่าวว่าเราจักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมเราจักอันตรทานไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจอันตรธานไปจากเราได้เลยเมื่อพะกะพรมกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวกับพระกะพรหมว่าพรหมท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านพระกะพรหมกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์หากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิลดลัมดบนั้นเราบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นด้วยคิดว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พรหมก็ดีพรหมมบริษัทก็ดี พรหมบริสัทชะก็ดีย่อมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเราอันตรธานไปแล้วได้ยกล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภัยในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้สแสวงหาความปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่นนันทิด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรหมก็ดีพรหมบริสัทธ์ก็ดีพรหมบริสัทธะก็ดี ได้เกิดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะโคโดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้เราทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพรามอื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคโดมนี้ผู้ออนปณวจากศากยตระกูลทอนพบพร้อมทั้งรากของหมูสัตว์ผู้รื่นรมในพบ ยินดีในพบเพลิดเพลินในพบมารเข้าสิงกายพรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรมปริสัทชะผู้หนึ่ง แล้วกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรุกุกถ้าท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบัรปะชิตเลยภิกษุได้มีสมณพราหมพว ก, ก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหม์เหล่านั้นแนะนำแสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรชิต หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่เลวสมณพราหมณ์ผู้ก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่แนะนําไม่แสดงธรรมไม่ทําความยินดีกับพวกสาวกและพวก ป, ปรญญาชตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้นิรุตุขขอท่านอย่า ก, กังวลไปเลย จงมันประกอบทมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงกล่าวว่ามารเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกือ้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ ท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านมีความดำริว่าพระสมณะโคดมจกแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจากล่วงวิสัยของเราไปสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมีได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญยว่าเราทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปฏิญาว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า มานตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตถาคตแม้เมื่อแนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่ได้แนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตะถาคตและอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรว์กระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาชารา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 ให้มีชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เวยากรณภาสิตนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยมานมิได้เรียกร้องและโดยที่พรมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นเวยากรณภาสิตนี้จึงมีชื่อว่า พรห ม, มนิมันตะนิกระสูตรดังนี้แลพรห ม, มนิมันตะนิกระสูตรที่เก้า